เมื่อไม่มีคนเข้าโบสถนะเงินหรือปัจจัยนะที่จะใชนะ้ในการดูแลก็ไม่มีก็ต้องขายไม่ทราบว่าภาษีที่นั่นนะสูงหรือเปลา่านะสำหรับโบสชาวพุทธเราที่นั่นก็มีพอสมควรนะก็เรียรายกันนะสามารถที่จะซื้อโบสถก็อยู่กันได้แบบสบายนะเพราะว่าทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะแต่ว่า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 โบทเก่าจากาศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นแง่คิดนะว่ า, าศาสนาหรือความนับถือในาศาสนานี่มันก็เปลี่ยนแปลงกันได้มากย้อนถอยหลังไปเมื่อสัก400ปีก่อนเนี่ยยุโรปเนี่ยรวมทั้งในฮอลแลนด์ด้ว ย, ยมันมีการต่อสู้รบพุ่งกันเพราะเหตุผลทางาศาสนา อย่างยืดเยอะอยาวนา น, นะระหว่างาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกับาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแต น, นในฮอลแลนด์เนี่ยเดิมนี่ก็นับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกตอนหลังก็มีคนที่มานับถือาศาสนาแบบโปรเตสแตนนะพวกนี้ก็อยู่ลำบากนะก็ถูกเผาทั้งเป็นก็เยอะนะ ถูกเผาทั้งเป็นเพราะว่าถือว่าเป็นพวกนอกกรีฑเขาก็สู้นะตอนหลังพอพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ของทางฮอลแลนด์นี่เขามานับถือโปรเตสตเสแตนต์เนี่ย น, นะก็ถูกทางฝ่ายคาทอลิกเนี่ยกรีาทัพเข้ามาอย่างสเปนเนี่ยเขามาบุกเขามาถล่มเลยนะฮอลแลนด์ land, เขาก็สู้นะสู้กันอย่างยืดเยอะยาวนานอย่างที่ว่าจนกระทั่งในสุดก็สามารถจะ นับถือาศาสนาโปรเสตสแตนได้ตามตามใจชอบนะคือไม่ต้องถูกบีบคั้นเพราะว่าอิทธิพลของาศาสนาคาทอลิกก็ลดน้อยถอยลงไปอยู่ทางใต้ยุโรปใต้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นับถือาศาสนาคาทอลิกนะเรียกสั้นๆส่วนทางเหนือเนี่ยก็เป็นโปรเสตสแตนออลแลนด์เนี่ยนะเขาก็คนที่นับถือโปรเสตสแตนเขาก็สามารถนับถือได้อย่างอิสระและไม่ต้องกลัวถูก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 เหมือนก็ว่าไม่มีความหมายสำหรับเขาไม่เข้าวัดแล้วก็หันไปนับถือ อ, อย่างอื่นแท น, นตอนนั้นก็มีาศาสนาอื่นมาแทนนะาศาสนาหนึ่งที่คนนับถือมากก็คือาศาสนาชาตินิยมนะชาตินิยมเนี่ยเถือเป็นาศาสนาหนึ่งนะแต่เป็นาศาสนาทางโลกนะเขาเรียกว่า Secular Religion แต่ก่อนยอมตายเพื่อศาสนาตอนหลังก็ยอมตายเพื่อชาติได้นะแล้วตอนหลังก็มีศาสนาใหม่ที่มามาแรงกว่าคือศาสนาบริพนธนิยมนะศาสนาบริพนธ์นิยมนี่คนก็นับถือมากนะอันนี้พอคนไม่นับถือศาสนาโปรเตสแตนต์นนะก็วัดก็ไม่มีคนเข้านะเป็นอย่างนี้นะในหลายประเทศนะที่นับถือโปรเสตสแตนต์เยอะระมันก็เหมือนกันนะ วัดไทยในเยอรมันก็หลายวัดก็ซื้อนะอาคารจากโบสเก่าอันนี้ก็ก็เป็นทั้งแง่ดีนะก็คือว่าพุทธศาสนาก็ได้แพร่ขยายมากขึ้นแต่ที่จริงไม่ได้แพร่ขยายเพราะว่าคนฝรั่งเขาหันมานักถือศาสนาพุทธนะที่นักถือศาสนาพุทธก็มีพอสมควรแต่ที่มีวัดไทย มีวัดพุทธมากขึ้นนะในเยอรมันเนี่ยก็เพราะคนไทยนี่ไปอยู่กันเยอะนะแล้วคนไทยที่ไปอยู่ในยุโรปส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะเยอรมันก็อยู่กันหลายหมื่นคนนะสวิสก็ประมาณสาม0 0ื่คนฮอนแลนดก็สองสามหมื่นคนส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนะเพราะว่าไปแต่งงานนะกับคนท้องถิ่นที่นั่น ก็น่าสนใจนะคนไทยที่ไปอยู่ในยุโรปเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่เค้านับถือาศาสนาโปรเสตสแตนต์เช่นฮอลแลนด์เยอรมันนะแล้วก็สวิสนะแต่ถ้าเป็นประเทศที่นับถือาศาสนาคาทอลิกเนี่ยเช่นสเปนอิตาลีเนี่ยโปรตุเกสเนี่ยคนไทยน้อยมากไปที่สเปนนี่คนไทยก็มีเป็นร้ อ, รอยเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นการสร้างวัดไทยที่นั่น หรือว่าการจะมีวัดพุทธศาสนาที่นั่นก็เลยยากนะเพราะคนน้อยนะอันนี้ก็น่าคิดนะว่าทำไมศาสนาโปรเตสแตนต์นนประเทศที่มีนับถือศาสนาโปรเตสแตนต์นี่นนคนไทยไปอยู่เยอะศ<จ>าสนาประเทศที่นับถือศาสนาคาทอลิกคนไทยไปอยู่น้อยนะเหตผลนึงก็จะเป็นเพราะว่าประเทศยุโรปที่นับถือโปรเตสแตนต์นี่นเขารวยนะรวยเขามีเศรษฐกิจดีนะคนไทยที่ไหนเศรษฐกิจดีก็ไปที่นั่นแหละนะ สเปนอิตาลีนิเสเศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนไทยก็ไม่ค่อยไปเนะพราะเราไปเพื่อไปทำมาหากินนะพอคนไทยไปเยอรมันไปฮอลแลนด์ไปสวิสก็ก็เจอคู่นะก็แต่งงานก็เลยอยู่กันเป็นหมื่นพออยู่กันเป็นหมื่นแล้วก็ต้องการวัดนะก็นขนายหาวัดสร้างวัดขึ้นมาเพราะว่าในเบอร์ลินเนี่ยวัดนี้ก็เป็นเป็นห้าวัดได้นะเฉพาะวัดพุทธที่มาจากเมืองไทยนะ ในแฟรงเฟิร์นี้ก็สิบวัดรวมทั้งหมดในเยอรมันนี้วัดไทยนะประมาณห้าสิบวัดได้ไม่น้อยเลยนะแต่ถ้าเ ป, เป็นอเมริกานี้ก็เป็นรนะ้อยวัดแต่ว่าที่ไปที่ไปวัดส่วนใหญ่ก็ไปเพื่อทำบุญตามประเพณนนีนะที่จะไปไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมหรือว่าไปเจริญสมาธิภาวนาก็น้อย จริงๆถ้าหากว่ามีพระที่สอนเรื่องนี้มากเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยนะที่จะไปทําสมาธิภาวนาเยอะนะฝระั่งก็สนใจก็จะไปทําสมาธิภาวนามากขึ้นอย่างวัดไทยที่เซนหลุยอเมริกาเนี่ยสมัยที่หลวงพ่อมหาไหลยอยู่ยท่านก็สอนเรื่องการเจริญสตินี่มูลหลวงพ่อคําเขียนไปก็มีฝรั่งสนใจกันหลายคนฝนะรั่งตอนนี้ก็โหยหานะเรื่องของสมาธิ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 อาแล้วก็ฝากไว้เป็นข้อคิดทันนี้เตรียมรับ